ภาวรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอ น, นเสริได้บัญญัติให้พระภิกษุในในบวรพระพุทธศาสนาให้อยู่ยกับที่ให้อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนไม่ให้จา่าฤกไปตามสถานที่ต่างๆยกเว้นมีเหตุจำเป็นเหตุฉุกเฉิน เช่นบิดามารดาอุปชาอาจารย์ป่วยไข้ต้องไปดูแลรักษาหรือกุติสาราโบ์เกิดการชำรุดต้องไปหาวัสดุมาซ่อมแซงก็ส่งอนุญาตให้ไปได้ไม่เกินเจวันเจคืนถ้าไปเกินเจวันเจดคืนก็ถือว่าขาดพรรษาคือไม่ได้อยู่จำพรรษา เรื่องของการชําปัญษานี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงได้รับการร้องเรียนจากชาวนาชาวไร่ทั้งหลายว่าทำไมพระภิกษุของพระพุทธเจ้าจึงไม่อยู่กับที่เหมือนกับเหมือนกับนักบวชของสำนักอื่นๆแม้แต่นกกาเขาก็ายังหยุดไม่ไปไหนในเชื่อมืดดูฝนเพราะการไปไหนมาไหนของพระภิกษุนั้น บางรูปก็ไม่รอบคอบเอาความสะดวกก็เลยเดินลัดเดินเดินข้ามทุ่งนาของชาวนาชาวไร่ไปเหยียบย่ทำทาลายพืชที่ชาวนาชาวไร่เขากำลังปลูกอยู่เขาก็เดือดร้อนจึงได้มากลาบทูลให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบพระพุทธเจ้าก็เลยต้องบัญญัติไม่ให้พระภิกษุ ไปจาริกไปที่ไหนให้อยู่กับที่พอถึงวันวันแรมหนึ่งข้าเดือน8ดเ<อ>ช่นวันนี้<อ>ก็จะต้องอธิษฐานพรรษาคือจะต้องตั้งจิตใจว่าต่อไปนี้จะอยู่ในอาวาสนี้อยู่ในสถานนี้สถานที่นี้ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันจนกว่าจะออกพรรษา คือในวันแรมหนึ่งข่ำเดือน11ถึงจะสามารถจะนรไปข้างแรมที่อื่นได้โดยไม่มีเหตุจำเป็นนี่คือเรื่องของประเพณีจำพรรษาของพระภิกษุแล้วก็ในช่วงเข้าพรรานี้ก็จะมีประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระภิกษุเนื่องจาก ในสมัยพระพุทธการตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาใหม่ๆยังไม่มีผู้มีจิตศรัทธามากและผ้านั้นก็เป็นสิ่งที่หายากพระภิกษุต้องหาผ้าที่เป็นเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นในป่าในกองขยะในป่าชา้าแล้วก็ไปเก็บมารวบรวมเอาไว้ พอได้จํานวนมากพอก็มาบะมาเย็บมาตัดต่อให้เป็นผ้าจีวรแล้วก็นําเอาไปซักย้อมด้วยน้ำฝาคือเช่นน้ำแก่นขนนนี่คือผ้านุ่งห่มของพระภิกษุในสมัยเริ่มแรกเนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้พระภิกษุเป็นขอทานคือไม่ให้ขอ กับญาติโยมผู้ที่เขาไม่ได้ปวารณาตัวหรือไม่ได้เป็นญาติของตนให้อยู่แบบยินตามมีตามเกิดไม่ให้ไปรบกวนชาวบ้านนี่คือหลักของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีการไปขอผ้าจากญาติโยมไม่มีการไปขอเงินขอทองขอให้สร้างกุฏิสร้างอะไรต่างๆ ให้อยู่ตามมีตามเกิดเช่นกุฏิถ้าไม่มีอยู่ก็ให้อยู่ตามโคนไม้ยารักษาโรคถ้าไม่มียารักษาโรคก็ให้ฉันยาดองน้ำมูดคือน้ำปัสสาวะก็ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้และให้ใช้ธรรมโอสถคือให้ใช้สมาธิและปัญญา ละงับดับความทุกข์ทรมานใจส่วนร่างกายก็ให้ใช้น้ำมูดคือน้ำปัสสาวะนี้รักษาไปถ้ารักษาหายก็ดีรักษาไม่หายก็ถือว่าเป็นกรรมถึงเวลาที่จะต้องตายไปเรื่องของการตายของทางพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตประการใดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา มีเกิดต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องจิตใจไม่ควรไปทุกข์ทรมานกับร่างกายเพราะจิตใจไม่ได้เป็นร่างกายนั่นเองจิตใจไม่ต้องไปตื่นเต้นหวาดกลัวไปเจ็บไปปวดกับความเจ็บของร่างกายจิตใจสามารถอยู่อย่างปกติได้ไม่เจ็บไม่ปวดไปกับร่างกายถ้ามีสติมีสมาธิ และมีปัญญาดังนั้นพระภิกษุจึงอยู่กันแบบตามมีตามเกิดในระยะเริ่มแรกก็จะมีผ้าเพียงสองผืนคือผ้านุ่งหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มหนึ่งผืนต่อมามีพระมาบวชมากขึ้นแล้วไม่มีธรรมโอสถคือไม่มีไม่มีธรรมะจะดูแลรักษาใจให้ มีความอดทนเข้มแข็งเวลาเกิดอากาศหนาวขึ้นมาก็ไม่พอผ้าที่มีอยู่ผืนเดียวก็ไม่พอที่จะปกค้องความหนาวเพระพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้มีผ้าขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งเรียกว่าผ้าสังคาติให้ทำเป็นสองชั้นเพื่อห่มกันหนาวผ้าที่ญาติโยมเห็นพระที่ผ้าถ่าเวลาที่ทาพิธีกรรมต่างๆ นั่นคือผ้าชิ้นที่สปกติจะเห็นท่านใช้อยู่สองชิ้นคือผ้านุ่งกับผ้าห่มแต่พอในช่วงที่มีฝนตกพระท่านอยากจะอาบน้ำฝนท่านก็ไม่มีผ้าที่จะนุ่งไว้สำหรับอาบน้ำฝนท่านก็เลยเปลือยกายอาบน้ำฝนวันหนึ่งมีนางวิสาขามีจิตศรัทธาที่อยากจะถวายน้ำปานะให้กับพระ ที่อยู่จำนังสาก็ไปกะก็สั่งให้คนใช้สาวใช้ไปที่วัดเพื่อไปดูว่ามีพระภิกษุอยู่กี่รูปเพื่อจะได้จัดน้ำปนานะมาถวายได้ถูกต้องขณะที่ไปก็เกิดฝนตกใหญ่พอเข้าไปถึงที่วัดก็เห็นพระท่านเปือยกายอาบน้ำฝนกันอยู่ก็ตกใจก็เลยรีบกลับไปบอก นางวิสาขาว่าที่ที่วัดตอนนี้ไม่มีพระเลยมีแต่พวกชีเปลยมาอยู่กันเนื่องจากนางวิสาขาเป็นคนฉลาดก็ทราบว่าเป็นอะไรจึงได้ไปกราบทูลขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระภิกษุเรื่องการถวายผ้าจึงมีมาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ปัจจุบันนี้การถวายผ้าอาบน้ำฝนก็จะไม่ค่อยเป็นผ้าที่อาบน้ำฝนเท่าไหร่เรื่องจากเศรษฐกิจรัดตัวผ้าที่จะมาห่มอาบน้ำฝนก็ไม่สามารถห่มได้กลายเป็นเหมือนผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือเพราะถ้าเป็นผ้าผืนใหญ่ก็จะมีราคาแพงคนขายก็อาจจะขายไม่ออกเขาก็เลยเอาผ้าให้มันเล็กลงไปเรื่อย เนื่องจากเขาไม่รู้ว่าผ้าอาบน้ำฝนนี้มีไว้เพื่อประโยชน์อันใดแต่ความจริงในสมัยปัจจุบันนี้เนื่องจากมีการเจริญทางด้านวัตถุมากมีวัดมีวังมีกุฏิมีห้องน้ำห้องท่าเรื่องของการใช้ผ้าอาบน้ำฝนเพื่ออาบน้ำฝนก็เลยหมดไปเพราะพระเดียวนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำฝนกัน อาบน้ำในห้องน้ำห้องท่ากันเป็นหลักแต่ประเพณีเรื่องของการถวายผ้าอาบน้ำฝนก็ยังมีมาอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องที่ญาติโยมนำเอาผ้าอาบน้ำฝนมาถวายส่วนเทียนจำพรรษาก็เป็นเทียนเพื่อให้แสงสว่างเนื่องจากในสมัยโบราณเราไม่มีไฟฟ้าใช้กัน ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีผู้มาบวชศึกษาพระธรรมคำสอนก็ต้องอาศัยแสงเทียนไว้อ่านหนังสือในตอนกลางคืนอาศัยแสงเทียนไว้สำหรับเดินไปไหนมาไหนเทียนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในสมัยโบราณเวลาเข้าพรรษากันแต่ละครั้งเขาจึงทำเทียนเพื่อถวายพระกันเป็นจำนวนมาก แต่พอมาในยุคสมัยปัจจุบันนี้มีไฟฟ้ามีแสงจากหลอดไฟฟ้าเรื่องเทียนก็เลยหมดความสาคัญไปกลายเป็นเทียนเพื่อประดับเสียมากกว่าคือเอามาตั้งอยู่ที่หน้าพระประธานเท่านั้นเองแต่การใช้แสงเทียนนี้ก็จะไม่ได้ใช้กับวัดส่วนใหญ่นอกจากวัดที่เป็นวัดป่า ถ้าเป็นวัดป่านี้ยังใช้แสงเทียนใช้ไฟฉายกันอยู่เพราะท่านไม่นิยมใช้ไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้านี้เป็นเหมือนมีดเป็นเหมือนดาบที่มีทั้งคุณและมีทั้งโทษถ้าผู้ใช้ใช้ไม่เป็นก็จะเกิดโทษกับผู้ใช้ได้ถ้าใช้เป็นก็จะเป็นประโยชน์เช่นเอาไปใช้เพื่อให้แสงสว่าง หรือไปใช้กับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นแต่ถ้าเอาไปใช้กับการบันเทิงเช่นไปใช้กับโทรทัศน์วิทยุใช้กับตู้เย็นใช้กับเครื่องปรับอากาศก็จะเป็นโทษกับนักบวชคือพระภิกษุเพราะนักบวชนี้ต้องการหาความสุขจากความสงบของจิตใจไม่ต้องการหาความสุขจากความสบาย ของร่างกายไม่ต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากการดูการฟังแต่ให้หาความสุขจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิให้หาความสุขจากการมีจิตใจที่สงบปล่อยวางไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความยากลาบากทางร่างกายแม้ว่าร่างกายจะเจ็บไข้ตายไป ใจก็จะมีความสุขได้ถ้ามีธรรมะคือมีสติมีสมาธิมีปัญญาดังนั้นพระปา่าจึงไม่ค่อยนิยมจะให้มีไฟฟ้าใช้กันเพราะกลัวพระที่ไม่เข้าใจว่าการบวชนี้บวชเพื่ออะไรก็จะถูกอำนาจของโมหะความหลงของกิเลสตัาหาให้คิดว่า ให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อมาอำนวยความสะดวกเช่นให้มีตู้เย็นมีเครื่องปรับอากาศมีโทรทัศน์ไว้สำหรับติดตามข่าวสารหรือดูสิ่งบันเทิงต่างๆถ้ามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องภารกิจของพระคือการศึกษาและการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะไม่สามารถเป็นไปได้เพราะจะไม่มีเวลานั่นเองจะหมดเวลากับการไปดูไปฟังไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีไฟฟ้าเป็นเครื่องสนับสนุน mm hmm. เมื่อไม่สนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมะที่จะปรากฏขึ้นมาในายใจก็จะไม่ปรากฏขึ้น การบวชก็บวชแบบไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรบวชก็ตามกับคารวะตรงที่ว่าอยู่ที่วัดแล้ว น, นุ่งเหลืองโกนสีรษะเท่านั้นเองแต่พฤติกรรมก็ไม่ต่างจากคารวะไปมากนับเท่าไหร่บางครั้งก็อาจจะสุขสบายกว่าคารวะเสียด้วยซ้งไปถ้าไปวัดที่มีความเจริญมีศรัทธาถวาย เข้าของเงินทองมากมายเข้าไปในวัดบางทีก็คิดว่าเข้าไปในวังมีของเต็มไปหมดนี่เนื่องจากว่าไม่สนใจศึกษาพระพุทธประวัติไม่ศึกษาพระอริยสงฆ์ประวัติว่าท่านอยู่กันอย่างไรแล้วก็ไม่สนใจที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าให้ปฏิบัติอย่างไรกัน ได้รับแต่คําสอนจากพระที่ไม่รู้เรื่องสอนกันมาแบบไม่รู้เรื่องก็เลยสอนกันแบบผิดผิดมาผลที่จะเกิดขึ้นก็เลยไม่เกิดจะเป็นที่พึ่งของประชาชนก็พึ่งไม่ได้ศา ส, สนาก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปตามลำดับเพราะศรัทธาของประชาชนก็จะเสื่อมลงไปตามลำดับ พราะก็เห็นว่าพระนักบวชกับตนก็ไม่มีความแตกต่างกันอย่างไรอยู่กันแบบคล้ายกันหาความสุขแบบเดียวกันคือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าจะเข้าวัดไปทําไมนี่คือเรื่องของวัดวาอารามที่ได้รับการพัฒนาทางด้านวัตถุทางด้าน รูปเสียงกลิ่นรสก็จะเป็นวัดที่จะไม่ค่อยมีผู้มีศรัทธาอยากที่จะเข้าไปเท่าไหร่แต่วัดที่ไม่มีความเจริญทางด้านวัดถึงอยู่แบบเรียบง่ายตามมีตามเกิดอยู่กับธรรมชาติกับมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางไปทาบุญไปศึกษาและไปอยู่ปฏิบัติธรรมกัน เป็นจำนวนมากเพราะเขาได้รับประโยชน์จากการไปนั่นเองคือทำให้จิตใจเขาฉลาดขึ้นทำให้เขารู้จักวิธีทำให้ใจของเขามีความสุขทำให้เขารู้จักวิธีดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆซึ่งเขาไม่สามารถอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆดับได้ กาลาวาดญาติโย น, นี้มีเงินมากมีมีสิ่งต่างๆมากแต่ก็มีความทุกข์มากเช่นเดียวกันเพราะสิ่งของต่างๆเงินทองต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้มีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ใจได้นั่นก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราเราจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆได้จนหมดสิ้นไปพระธรรมคำสอนที่เราควรจะน้อมเข้ามาในเบื้องต้นก็คือความมักน้อยสันโดษเพราะนี่จะเป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสตัณหาความอยากได้มากๆนั่นเอง เพราะความอยากได้มากๆนี้เป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจความทรมานใจเวลาอยากจะได้อะไรแล้วไม่อยากได้อะไรจะรู้สึกหงุดหงิดใจลำคาญใจและจะเสียใจและจะโกรธผู้ที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกให้ตนได้สิ่งที่ตนอยากได้แต่ถ้ามีความมักน้อยสันโดษ คือยินดีตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีหรือถ้าได้ก็ได้น้อยน้อยก็พออย่างนี้จะไม่มีปัญหาจิตใจจะไม่วุ่นวายเพราะความต้องการของร่างกายนี้มีไม่มากความมากน้อยสันโดษนี้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเช่นร่างกายต้องการเสื้อเ ค, เครื่องนุ่งห่มไม่กี่ชุดก็อยู่ได้แล้ว สำหรับพระภิกษุนี้มีผ้าสามผืนก็ใช้ได้แล้วพอแล้วอาหารถ้าเป็นพระภิกษุก็ชั้นมือเดียวก็อยู่ได้แล้วความต้องการของร่างกายนี้ไม่ได้มากมายกายกองอะไรเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้ความอยากหลอกให้เราไปหาปัจจัยสี่มามากเกินความจำเป็นเพราะจะเสียเวลาเปล่าๆ และจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเทาเหมือนกับคนที่เขาไม่ต้องมีของแพงๆของมากๆเขาก็มีความสุขได้เหมือนกับเราเราควรที่จะเอาเวลามาทาประโยชน์ที่แท้จริงดีกว่าก็คือทำประโยชน์ให้กับใจของเราเพราะใจของเรานี่เป็นผู้ที่สุขหรือทุกข์ ความสุขหรือความทุกข์ของใจเรานี้มันรุนแรงมันยิ่งใหญ่กว่าความสุขและความทุกข์ของร่างกายหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันยกตัวอย่างเวลาร่างกายเราสุขไม่เป็นอะไรได้รับประทานอาหารรับอิ่มหนำสำราญใจมีอะไรต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์แต่เวลาเกิดความเสียใจขึ้นมา ความสุขของกายนี้ก็จะหายไปหมดเลยเพราะความเสียใจความทุกใจนี้จำเรียนบีบคั้นใจทำให้ไม่มีความสุขเหลืออยู่ในใจเลยนี่คืออำนาจของความสุขของใจความทุกข์ของใจเป็นอย่างนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถึงกับจะตายไปแต่ถ้าใจมีความสุข ความทุกข์ของร่างกายความเจ็บของร่างกายนี้จะไม่สามารถมาลบล้างความสุขของใจได้เลยใจที่มีความสุขนี้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายตายไปเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวลกทั้งหลายเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาท่านตายไปนี้ท่านจะรู้สึกเฉย พรใจของท่านนี้มีปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลามีความสุขที่ประเสริฐ อ, อยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมเป็นความสุขที่ไม่หายไปเนื่องจากความทุกข์ของร่างกายมาบดบังเอาไว้จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่สำหรับพวกปุถุชนที่ยังไม่สามารถควบคุมใจให้สงบให้มีความสุขได้ตลอดเวลา เวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาใจก็กลับเป็นมากขึ้นกว่าร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกันเพียงแต่หมอบอกว่าจะฉีดยาเท่านั้นยังไม่ทันฉีดเลยใจก็เจ็บไปก่อนแล้วกลัวไปก่อนแล้วหมอบอกว่าจะผ่าตัดนี่ใจก็กัะวนกัะวายกระสับกะส่ายหมอบอกว่ามีเวลาเหลืออยู่สามเดือนจะตาย ก็หมดกำลังใจไม่มีกำลังใจที่จะอยู่ติดต่อไปทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เนื่องจากใจขาดธรรมะแสงสว่างที่จะสอนให้ใจรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายแต่พอไม่มีแสงสว่างก็เลยไปหลงยึดติดกับร่างกายคิดว่าใจเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็เดือดร้อนแทนร่างกาย เป็นไปมากกว่าร่างกายเสียอีกนี่ยนี่คือความทุกข์ของใจเวลาทุกนี้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นมหากษตรเป็นประธานาธิปดีก็ไม่สามารถที่จะขับไล่ความทุกนี้ให้ออกไปจากใจได้มีสิ่งเดียวที่จะขับไล่ออกไปได้ก็คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เองที่พวกเรากําลังมา สร้างกันมาพัฒนากันสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพัฒนานี้ก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันคือทานศีลและภาวนาขั้นแรกก็คือให้เราให้ทานให้เราสละให้เราตัดวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆที่มีมากเกินความจำเป็นให้เอาไปให้แก่ผู้อื่น ให้ไปสงเคราะห์ผู้อื่นให้ไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่าเก็บเอาไว้เพราะไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจแต่จะเป็นโทษกับจิตใจเพราะจะทำให้ต้องคอยดูแลรักษาคอยหวงคอยห่วงและเวลาสูญเสียไปก็จะเกิดความเสียใจแต่ถ้าให้ไปด้วยความสมัครใจด้วยความเต็มใจอย่างวันนี้ญาติโยมยอมเสียเงินเสียทอง ด้วยความเต็มใจด้วยความพอใจเวลาเสียไปแล้วแทนที่จะรู้สึกเสียดายหรือเสียใจกลับมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความภูมิใจนี่คือธรรมะเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้สักวันหนึ่งเราจะต้องเสียไปหมดถ้าเราเสียด้วยความพอใจด้วยความยินดีเราจะมีความสุข แต่ถ้าเราเสียไปด้วยความไม่ยินดีไม่พร้อมที่จะเสียเราก็จะเสียใจทุกใจเสียสิ่งเดียวกันแต่จะสุขหรือจะทุกข์ใจนี้อยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรายินดีปล่อยวางรู้ว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะที่จะต้องมีที่จะต้องเก็บไว้ก็ยกให้คนอื่นไปเลยพอยกไปแล้วก็สบายใจโล่ม อ, อก เหมือนกับยกก้อนหินออกจากอกเพราะเงินทองนี้มันก็เป็นเหมือนก้อนหินที่คอยทับบนอกของเราไว้ทำให้เราวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆว่าจะทำอย่างไรดีเก็บไว้ก็กลัวหายไปฝากธนาคารก็กลัวธนาคารโกงบ้างธนาคารล้มบ้างเอาไปลงทุนก็ต้องเสี่ยงกับการขาดทุนสู้เอาไปทำบุญดีกว่าทาประโยชน์ ที่ไหนเขาเดือดร้อนขาดแคลนเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนเราไปช่วยเขาให้เขาได้สิ่งที่เขาขาดแคลนแล้วเราจะมีความสุขมีความสบายใจไม่ต้องมาห่วงกับเงินก้อนนี้นี่คือเรื่องของการให้ทานถ้าให้ได้มากเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งเบามากขึ้นเท่านั้นถ้าให้ได้หมดเลยก็ยิ่งสบายเช่นนักบวชทั้งหลายนี้ ท่านให้หมดเลยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบริษัทบริวารต่างๆมีอะไรก็ยกให้คนอื่นเขาไปหมดมีเงินทองก็ให้เขาไปมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาก็ยกให้เขาไปหมดถือว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วสําหรับนักบวชนักบวชมาเกิดใหม่ในพระพุทธศาสนาไม่มีครอบครัวแล้ว ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีบิดามารดาแล้วมาเกิดในบวรพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบิดามารดามีเพื่อนนัก บ, บวช ด, ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันเท่านั้นนี่คือการเสียสละการให้ทานให้ได้เท่าไหร่จิตใจก็จะเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้น ถ้าไม่สามารถให้ได้ก็ยังจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ทำขั้นที่สูงขึ้นไปได้คือขั้นที่สองคือการรักษาศีลเช่นการออกบวชนี้เป็นต้นถ้าออกบวชแล้วจะสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์ง่ายกว่าการอยู่เป็นค า, ารวะเพราะเวลาเป็นค า, ารวะนี้ยังมีภารกิจมีความถูกพันมีหน้าที่ที่จะต้อง ดูแลรักษาเรื่องแสวงหาสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็จะทำให้ไม่สามารถรักษาศีลได้ตลอดเวลาบางครั้งก็อาจจะต้องผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเช่นข้อมุสาบ้างข้ออธินาบ้างหรือข้อกาเมบ้างหรือแม้แต่ข้อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปานาติบาก็อาจจะต้องทำบ้าง เพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการมาแต่พอได้มาบวชแล้วการรักษาศีล น, นี้ก็จะเป็นอย่างง่ายดายเพราะไม่มีภารกิจผูกพันกับเรื่องราวต่างๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆมาโดยไม่ชอบนั่นเองก็จะทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นมีความสุขมากขึ้น จิตใจของเราที่มีความทุกข์ความกังวลใจนั้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการไปทำบาสนั่นเองเวลาทำบาปแล้วสังเกตดูใจของเราว่าสบายใจหรือไม่เวลาเราไปโกหกนี่เราจะสบายใจหรือไม่เวลาเราไปชอกโกงอย่างนี้เราจะสบายใจหรือไม่ความไม่สบายใจนี้มันเกิดจากการกระทาของเราคือการทำบาสนี่เอง ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราจะไม่รู้สึกไม่สบายใจเราจะรู้สึกสบายไม่หวั่นไหวไม่หวัดหวัดรอผลไม่ดีที่จะเกิดขึ้นเพราะจะไม่มีผลไม่ดีเกิดขึ้นนั่นเองเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุที่ไม่ดีเอาไว้แล้วพอเรารักษาศีลได้เราก็จะเห็นคุณค่าของความสงบความไม่วุ่นวายของใจก็จะทำให้เราอยากจะทา ให้ใจสงบมากขึ้นเราก็จะสามารถเจริญจิตตภาวนาได้ทำสมาธิได้สามารถเจริญสติได้ตอนที่เราจะทำสมาธิได้เราต้องเจริญสติก่อนคือต้องดึงใจให้อยู่ใกล้ตัวเราให้อยู่กับร่างกายให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยใจให้ไปคิดในเรื่องอดีตในอนาคตเรื่องที่อยู่ที่นั่นที่นี่ ให้ดึงใจให้คิดอยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นเช่นเรากาลังทาอะไรก็ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่หรือให้รู้เฉยๆไม่ต้องคิดถ้าไม่มีความจำเป็นต้องคิดสิ่งที่เราต้องการคือความสงบใจของเราจะสงบได้ก็ต่อเมื่อไม่คิดอะไรถ้าคิดอะไรแล้วจะไม่สงบจะมีความว่าวุ่นขุนมัวความฟุ้งซ่านตามมาเราจึงต้องใช้สติ ดึงใจเอาไว้อย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยถ้าไม่ยอมอยู่ก็ให้ดึงมาด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปทำอะไรก็พุโทโธไปภายในใจหรือจะสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้แต่ถ้าเราสามารถดึงใจให้อยู่กับตัวเราได้โดยไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องสวดเพียงแต่รู้อยู่กับเรื่องที่เราทำก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ ขอให้ใจอย่าไปคิดอะไรก็รอตามอย่างนี้เรียกว่าเรามีสติแล้วพอเรามีเวลาว่างเราไปนั่งหลับตานั่งขัดสมาธิทำใจให้สงบใจก็จะสงบอย่างรวดเร็วพอใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็เหมือนกับเข้าห้องปรับอากาศเวลาที่เราอยู่ข้างนอกแดดร้อนมากๆเลย เวลาเราเข้าห้องปรับอะกาศเรารู้สึกว่าเป็นเหมือนกับเป็นคนละโลกเลยเป็นเหมือนจากนรกเข้าสู่สวรรค์ฉันใดเวลาจิตที่เรายังไม่สงบนั้นมันเหมือนเป็นนรกเพราะจิตของเราจะว่าวุ่นขุนมัววุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆไม่รู้จักจบจากสิ้นพอได้เข้าสมาธิเท่านั้นความวุ่นวายต่างๆความรุ่มร้อนจิตรุ่มจะรุ่รมร้อนใจต่างๆก็จะหายไปหมด จิตจะมีความเย็นมีความสุขมีความสบายนะนี่เรียกว่าสมาธิสมาธิก็คือจิตต้องสงบนิ่งไม่มีความคิดปรุงแต่งเหลือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วก็เป็นอุเบกขาไม่มีโรคไม่มีรักไม่มีชังไม่มีโกรธไม่มีหลงนะเรียกว่าเป็นสมาธนะิพอออกจากสมาธิแล้ว สิ่งที่เราควรจะทําต่อไปก็คือรักษาความสงบนี้ให้อยู่ต่อไปด้วยการใช้ปัญญาเวลาเวลาใจเกิดอยากจะได้อะไรหรือเกิดว่าวุ่นขุนมัวกับเรื่องอะไรก็ให้ใช้ปัญญาเข้าไประงับให้พิจารณาว่าเรื่องที่เราไปวุ่นวายด้วยนั้นไม่มีสาระอะไรเป็นเหมือนกับฟองน้ํามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไป เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้เราได้มาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับใจของเรามีแต่จะมาทำลายความสงบสุขของใจถ้าเราต้องการรักษาความสงบสุขเราต้องปล่อยวางทุกอย่างไม่ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจใจไม่ต้องการสิ่งต่างๆในโลกนี้มีแต่กิเลสความหลงที่หลอกให้เรา ไปเห็นว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่หารู้ไหมว่าเป็นตัวที่เข้ามาทําลายความสงบความสุขของใจทุกวันนี้ที่เราไม่มีความสงบสุขกันก็เพราะว่าเราไปยุ่งกับเรื่องต่างๆทั้งหลายนั่นเองถ้าเราตัดได้ปล่อยได้ทั้งหมดรับรองได้ว่าเราจะมีความสุขมากกว่าในขณะที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ ถ้าไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะสะละราชสมบัติได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตอนที่ได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้านี้มีความสุขมากกว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระหมหากษัตริย์เป็นพระราชาโอรสหลายหมื่นหลายแสนเท่าด้วยกันเพราะตอนนั้นท่านตัดได้หมดเลยไม่มีความต้องการกับลายเลยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่หลงว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือวิเศษแต่อย่างใด นี่แหละคือปัญญาเป็นสิ่งที่เราควรที่จะสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราจะไปยุ่งกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งบอกว่าช่างมันเถิดปล่อยเขาไปอะไรจะเกิดก็เกิดใครจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แม้แต่คนเดียวมีเกิดเท่าไหร่ก็ต้องมีตายเท่านั้น ถ้าไม่เช่นนั้นโลกก็จะล้นโลกด้วยคนคนจะล้นโลกถ้าไม่มีคนตายแล้วก็จะอยู่กันอย่างยากลำบากเพราะจะต้องแก่งแย่งหาอาหารแก่งแย่งหาที่อยู่กันที่พวกเราพออยู่กันได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีคนตายกันถ้าไม่มีคนตายแล้วเราจะไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้ศาลานี้ก็อาจจะไม่พอสำหรับคนที่จะเข้ามาเพราะเรามีคนตายเราถึงอยู่กันอย่างมีความสุข พอสมควรยังไม่ต้องไปกลัวความตายจงเห็นว่าความตายนี้เป็นประโยชน์เราควรจะแบ่งกันอยู่ถึงเวลาเราก็ควรไปที่ตายไปนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราที่ตายไปก็เป็นเพียงร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองเราจึงไม่ต้องไปกลัวความตายไม่ต้องไปเสียดายร่างกายไม่มีร่างกายกลับจะมีความสงบมากกว่าเพราะไม่ต้องมาหวน ไม่ต้องมาคอยดูแลรักษานี่คือใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีร่างกายมาคอยดูแลเหมือนกับพวกเราท่านก็ยังอยู่เหมือนเราอยู่เพียงแต่ว่าท่านอยู่โดยไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีความทุกข์เหมือนพวกเรานี่คือพระธรรมคำสอนที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราได้นำเอาไปปฏิบัติ เพื่อเราจะได้กําจัดความทุกข์ใจต่างๆทั้งหลายให้หมดสิ้นไปมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นมีแต่เป็นทางสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นไม่ใช่ให้น้อยลงจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญเข้าพรรษาในวันนี้ให้ท่านได้นำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป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 m o v